ส่วงสนทั้งคืนนะถ้ า, ถาตื่นแต่ตาดัก็ไม่ได้ยินก็ดีนะตื่นมาเมื่อไรก็ได้ยินเสียงส่ว น, นหลับไปก็ได้พักผพอพะคงเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากนะคงเป็นเมืองเดียวในโลกนี้ที่มีพระพระสงฆ์พระสั ม, มนเณีเยอะที่สุดในโลกก็แล้วสามแสนรูปนี ล้วก็เท่ากับเมืองไทยทั้งประเทศแล้วก็ประเทศที่จะมีพระมีเนนมากก็วหกไม่เท่าเข้ามา ก, ก็ถือว่าเป็นสถานที่ดีในเมืองมันตะเล่มันยากาศรพระมันยากาศเนนมันยากาศเจดียรมันากาศธรรมชาติซึ่งมันก็มันก็ต้องคู่กันไปเนาะถ้ามี <c oughs> มีแต่วัดวาอาราม แต่ไม่มีพระมันก็เป็นเพียงแค่ศาสนสถานแต่มีพระแล้ ว, ลวก็ได้ศึกษาเราเรียนปริญติปฏิบัติก็จะได้เข้าถึงความเป็นพระที่แท้จริงแต่ได้เป็นพระที่เป็นเพียงแค่สมมุติสงฆ์นุ่มห่มผ้าเหลืองกลมหัวแล้วก็อยู่ในวัดนั้นก็ยังเป็นความเป็นพระที่เรียกว่าส ม, มุนแต่แก็ต้องสวดให้เข้าถึงความเป็นิมุต ส่วนใหญก็ต้องเป็นพระจากสมมุตินะแหละมาก่อนนะจะหานะอาลัยสงฆ์มาบวชอาลัยบุคคลมาบวชเป็นพระก็น้อยเต็มทนะีหรือว่าแทบจะไม่มีแล้วในปัจจุบันก็ระผมจำขาจะมีบ้างแต่ต้องอาใส่ความเป็นสมมุตินะี่แหละมาเริ่มฝึกหัดกันให้เข้าถึงความเป็นสมมุตนะิก็ถือว่าที่นี้ก็ได้สร้างได้สร้างศูตย์นี้เพื่อ สืบทอดพระพุทธศาสนาติดต่อเนื่องกันมาแต่เราก็ได้มาเห็นพวกสัตนาสถานต่างๆนะหรือแม้แต่ว่าปัดวาอาตามหรือว่าวังต่างๆเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของมั น, นมีการเจริญรุ่งเรืองเป็นราชธานีแต่สุดท้ายก็ต้องตดพังทลายไปความสูญไปก็มีหรือว่าฟื้นขึ้นมาใหม่ก็มีนะ ทุกยุทุกสมัยก็มีความเจริญบ้างเสื่อมบ้าง<ม>เป็นธรรมดานะไม่มีที่ไหนในโลกนะที่มีเจริญท่าเดียวแล้วก็ไม่ไม่เสื่อมเลยพัฒนาไปเรื่อยต่อเนื่องไปเรื่อยในหลายประเทศในหลาย อ, อาณาจักรก็เป็นเช่นนี้สืบเนื่องต่อกันไปแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปด้วยนะในอดีตก็เป็นเช่นนี้ ปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้อนาคตก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่มีอะไรคงทนสืบต่อนะตลอดไปหรอกนะการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงคำ ว, ว่าความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงมันก็มีทั้งสองด้านนะด้านที่ดีขึ้นนะเราก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาด้านที่แย่ลงเราก็เรียกว่าเป็นการเสื่อมลงนะที่จริงก็คืออยู่ในธรรมาว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้น ควนเปลี่ยนแปลงบางทีก็จะเรียกว่าการเกิดการดับก็ได้นะการเกิดขึ้งการตั้งอยู่แล้วก็การดับไปนะมันก็เป็นเช่นนี้ติดต่อไปมันก็เป็นไปตามอะไรมันเป็นเรื่องตามเหตุตามปัจจัยเราจอาเรื่องสังคมเอาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจเอาเรื่องอะไรก็แล้วแต่มามาว่ากันก็ได้นะแต่จริงพอเราเห็นแล้วโอ้อที่จริงมันมีสี่ที่ เชื่อมร้อยกั น, นโดยความเป็นธรรมชาติาก็คืออะไรก็คือเรื่องของพระไ ต, ตรักพระใรักอนิจจังทุกขังหนาตามาเป็นกฎของธรรมชาติเหมือนกับเราเรียนวิทยาศาสตร์มันมีสมมติฐา น, นามันมีทฤษฎีแต่สมมุติฐานหรือทฤษฎีมันก็ยังไม่คงที่เพราะยังเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม ข, ข้อมูลที่มันมีมากขึ้น ยกนี้สมัยนี้เชื่อสมมติฐานแบบนี้เชื่อทฤษฎีแบบนี้แต่พัฒนาต่อไปสมมติฐานทฤษฎีก็ก่าๆก็ตกไปมีทฤษฎีใหม่ขึ้นมาแทนที่แต่เมื่อใดที่มันเป็นกฎของธรรมชาติแล้วมันมันไม่เปลี่ยนแปลงกฎของธรรมะก็เช่นเดียวกันมันเป็นกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะแม้จะเป็นหลายหลายล้านปีหรือว่าสองพันกว่าปีที่พระเจ้าท่านคนพบนี้เลยไม่ได้ต่อไปก็ดี มันเป็นกฎที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งก็คือเนี่ยกฎของก้าวใจรักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเห็นค่ามเป็นอนิจจังทุกขังนิสตาของสิ่งรอบตัวเราก็ย้อนกลับมาดูความเป็นอนิจจังทุกขังนิสตาไปในตัวของเราด้วยนะในร่างกายก็ดีในจิตใจก็ดีมันก็เป็นเช่นนี้อยู่เสื่มเนื่องต่อกันไปนความเป็นเราที่เราคิดว่าเป็นเราตั้งแต่เล็ก ก็ถึงตอนนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แ่เฉพาะแต่เรื่องแต่เรื่องของรูปร่างภายนอกนะร่างกายที่เติบโตใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เสื่อมลงไปแต่เป็นเรื่องของจิตใจหรือว่าความนึกคิดก็เช่นเดียวกันนะความคิดความเห็นความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงให้เห็นได้บ่อยอยิ่งกว่าสภาวะของร่างกายตัวเ็นนะร่างกายก็จะเสื่อมไปก็อาศัยวันเวลาเดือนปีผ่านไป ก็ค่อยเห็นชัดแต่เรื่องของจิตใจมันเปลี่ยนแปลง เ, ลลงเห็นได้ชัดมากขึ้ น, นะเห็นความชอบใจเห็นความไม่ชอบใจเห็นความรู้สึกนิสัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกเสี้ยววิ น, นาทีก็ว่าได้ถ้าเราเห็นกอมันก็เป็นความสนุกที่เราเห็นกอดังนั้นธรรมะพอเรากลับมาศึกตากที่ตัวเราเองมันก็เลยเมื่อเราเข้าใจ กฎของใจรักณในตัวของเราเองแล้วก็ตากซึ้งกับตรงนี้แล้วก็ยอมรับความจริงกับตรงนั้นอนะแล้วก็เออเข้าใจความเป็นปจริงของโลกนะโลกใบนี้ก็จําลองด้ร่างกายและก็จิตใจของเราเนี่แหละเนะมื่อเราเข้าใจโลกใบเล็กๆที่เราดิ้นอยู่เนี่ยนคะือร่างกายและก็จิตใจหรือว่ารูปธรรมและ น, นมามธรรมที่เราดํำรงทาตุขันนะ่ดํารงขันทั้งห้านี่แหละนะ พเราเข้าใจตรงนี้อ๋อเราก็เห็นสิ่งตา่างๆภายนอกนั่นก็เป็นชิ้นเดียวกันนะความแตกตา่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมนี่มันก็เป็นสิ่งภายนอกนะแต่สิ่งภายในมันเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดนะเราจะศึกษากี่ภพกีบชาตินี่มันก็มีความแตกตา่างกันแต่สิ่งที่เรามาศึกษาเราไม่ศึกษาความแตกต่างนั้นพระอาจารย์ท่านเน้นย้ำให้เรา มาศึกษาความเหมือนสินะถ้าศึกษาแต่ความแตกต่างตรงนั้นอ่ะมันไม่จบไม่สิน้นเพราะยุคสมัยเพราะการเวลามันเปลี่ยนแปลงไปเพราะท่าทางอย่างไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันไม่จบไม่สิน้น แ, แต่ถ้าเรามาศึกษาความเหมือนนะความเหมือนคือความเป็นคนความเป็นสัตว์นะวามเป็นบุคคลเมือนอย่างที่พระเจ้าทั้งบอกว่าอ๋อตัดทั้งหลายนี่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายที่คนทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะพอเรามารวมแล้วไม่ใช่คนไทยไม่ใชคนพมา่าไม่ใช่คนอังกฤษอินเดียอะไรตัดทั้งหลายนะไม่ใช่แค่คนเท่านั้นทุกสิ่งมีชีวิตคือมีเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยคนทั้งหมดทั้งสิ้นอันนี้คือความเหมือนของสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเรามาเห็นว่าความเหมือนของทุกชีวิตมันเป็นเช่นนั้น มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็คืออะไรก็มีความทุกข์นั่นแหละเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันทํำยังไง ล, ล่ะเราจึ่นจะออกจากความทุกข์ได้อันนี้เป็นคําถาม ท, าที่ยิ่งใหญ่นะของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเป็นคําถาม ท, าที่ยิ่งใหญ่ของทุกสรรพชีวิตในเมื่อเรามีความทุกข์เป็นเป็นจุดร่วมของกันและกันทํำยังไงละ่ะเราตื่นจะปลดเปืเ้อมทุกข์ให้กันและกันได้ เสรเพื่อทุกให้กับตัวเราเองได้นี่ก็เป็นสิ่งอีกสำคัญนั้นศาสนาก็เป็นการตอบคําถามเป็นการตอบโจทย์ตัวนี้แหละนะในเมื่อทุกสรรพสัตเป็นทุกตัดไปชีวิตมันมีความทุกข์ร่วงกันศาสนาก็เป็นคําตอบที่จะหาทางออกออกจากความทุกข์นั้นศาสนาที่แท้จริงก็คือนี่แหละก็คือทำอย่างไรหล่ะถึงจะออกจากความทุกข์ได้นะ ทำให้คนต้องหลายกับศาสนาจริงจะออกจากความทุกข์ได้นี่คือเรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องของวัดบ้าอารามที่จีกับในต่างๆทําแบบไหนก็ได้จะมีวัดก็ได้อ่าจะไม่บวชก็ได้แต่ทำยังไงล่ะเราถึงจะออกจากความทุกข์ได้นั่นแหละคือศาสนาคือที่พึ่งถ้าเราทําตัวให้เป็นศาสนาเป็นที่พึ่งได้อ้อจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ในสังคมอื่นที่ไม่มีพระไม่มีวัด เราก็สามารถเป็นที่พึ่งกับตัวเราเองได้ศาสนาก็ดำรงสืบต่อไปแล้วศาสนาในใจแบบนี้แหละเป็นศาสนาที่อาจจะไม่ยั่งยืนยาวนานแบบที่เป็นวัตถุให้เห็นภายนอกนั่นเป็นสิ่งที่ยั่งยืนยาวนานเกินกว่าการเวลาจะเรียกว่าจะมาพังทลายได้นีเหมือนถ้าเราปฏิบัติธรรมไปเราปฏิบัติธรรมเรา ส, สมบูรณ์ บุญสนสะสมบารมีในการที่จะเข้าถึงคุณงามความดีตัวเนี้แหละแม้วันเวลาจะผ่านไปไม่ไม่ไม่ต้องเอาเดือนเอาปีเป็นกำหนดหรกี่พบกี่ชาติมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะไม่เราจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอะไรก็ได้แต่แต่สิ่งที่เราสะสมเนี่ยมันเรียกว่ามันติดตัวติดใจไปนะทุกพบทุกชาติเนะี่ยมันยั่งยืนยาวนานยิ่งกว่าวัตถุภายนอกนะ การสร้างศาสนาภายนอกการสร้างวัดภายนอกมันก็อาจจะยืนนานตามอายุวัตถุของสิ่งของต่างๆแต่การสร้างศาสนาภานในใจก็คือคุณงามความดีบารมีที่สะสมเนี่ยในใจมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคงทนยาวนานยิ่งกว่าดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเข้าใจตรง น, นี้เราก็จะเห็นพ่อคุณค่าของการที่เรายว่าสะสมคุณงามความดีสะสมบุญบารมีแต่ที่สําคัญ ไม่สะสมเพื่อจะเอาดีหรือว่าจะเอาความสุขภายนอกนะแต่สะสมเพื่อให้เกิดปัญญาในการเห็นความจริงนะการจะสะสมให้เกิดปัญญาก็ต้องมาใส่ส ต, ตินี่แหละอาศัยศีนสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยให้ออกจากความทุกข์ได้นะไม่ใช่สะสมทานเพื่อไปสวรรค์ไม่ใช่สะสมสีนเพื่อให้มีรูปสวยนะไม่ อะไรต่างๆแต่เราสะสมนาบา ร, รมีตัวนี้เพื่อเป็นบา ร, รมีในการหลุดพ้นเป็นบา ร, รมีเพื่อจะออกจากความทุกข์ น, นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเราทําตัวนี้ตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ยั่งยืยนอย่างหนักที่สุดเราก็จะมีที่พึ่งนแม้พบนี้ยังไม่ทําที่สุดแห่งความทุกข์แต่เราก็มีที่พึ่งที่จะติดตัวที่จะติดใจไปในพบอื่นนะ ถ้่จริงมันไม่ใช่แค่เอาไปใช้ในการเป็นบา ร, รมีภายนอกทําให้ได้มาเกิดในที่ที่ปัตว์ปายาหรือทําให้มันมีโอกาสต่างๆที่มากกว่าคนอื่นแต่ที่จริงมันเป็นโอกาสในการที่เราจะเรียกว่าหูทาสว่างได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าเราเคยได้ฟังธรรมเคยได้ปฏิบัติธรรม เ, รเคยทราบซึ้งกับธรรมนะทำให้เราจะไปอยู่ชาติไหนพบไหน ตาของเราก็จะเร็วในการที่จะเห็น <c oughs> เห็นความจริงนะไม่ได้เห็นแค่รูปเท่านั้นจะเห็นความจริงความจริงต่างๆเห็นแล้วก็น้อมไปสูนะ่สู่ธรรมะหูได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่มันได้ยินแล้วก็เจะน้อมในการปงเข้ามาสู่ธรรมะท้งนั้นเรียกว่าอายตนะภายนอกทั้งหมดมันทําให้เกิดความเจริญในการที่จะน้อมเข้ามาสนใจใ ห, ให้ให้เกิดธรรมะต่างๆ เหมือนย่างที่เขาบอกว่าบางทีถ้าเราฟังเสียงทุกเสียงนะเป็นเสียงสวดมนต์มองคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนๆก็ขอให้มีนิพพานที่นั่นฉนั้นถ้าเรามีความรู้สึกเช่นนี้จะฟังเสียงนีหๆก็เป็นเสียงสวดมนต์ไม่ใช่แต่เสียงนงโมตัสสะหรือว่าเสียงนนในการสวดบาลีหรือว่าภาษาเ ศ, ษา ศ, ษาศษารษฐกิจอะไรต่าง แต่เราฟังทุกคำพูดของผู้คนของสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อง็มาเตือนตัวให้เห็นเป็นโลกธรรมทั้งนั้นเขาจะชมเรามันก็เป็นโลกธรรมฝ่ายหนึ่งเขาจะว่าเราก็เป็นโลกธรรมฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะพูดกลางๆพูดเฉยก็เป็นโลกธรรมฝ่ายหนึ่งเหมือนกันในความเป็นกลางนะมันก็เป็นธรรมดาฟังเสียงคำสอนของพระ ฟังเสียงดินทาของผู้ค น, นก็เป็นมีค่าเท่ากันท่านใจเราเป็นปกติธรรมดาแม้จะมีความซาบซึ้งแต่ตกต่างกันไปแต่ถ้าเรามีจิตใจที่เป็นปกติแล้วมันก็สิ่งที่ท่านพูดนะคำสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระอริยสงค์มันก็เป็นความจริงเช่นนั้นคําสอนของคนที่ไม่รู้ธรรมะที่เขาพูดออกไปแล้วก็เป็นความจริงแบบของเขาเนี่ยแหละนะจะเอามาทําไมนะจะแตะไปทุบทําไม ใจมันก็ไม่เอาคำพูดจานกนอกนั้นนะมนเป็นความทุกข์เป็นความสุขนะมันก็เอาแต่ความจริงเอามานอกใส่ตัวนะฟังเสียงดูผ้านะหรือรู้สึกอย่างไรก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นเช่นนั้นใจยะรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบนะรู้สึกอย่างไรโรคปวดหลมจะเกิดขึ้นก็เกิดไปสินะมันก็เกิดได้เป็นธรรมดานะเมื่อมีเหตุมีปัจจัย ก็ต้องเกิดขึ้นแต่เกิดแล้วมันมีสติรู้ทันมันไม่เอาะแต่ถ้าสติรู้ไม่ทันมันก็เอามาหยิบมาจวยเป็นเราเป็นของเรายิ่งพอสติมันรู้ทันมันไม่ใช่ว่าอาจความรู้สึกตรงนั้นมันจะไม่เกิดนะแต่เป็ิย์นว่ามันทันที่มันไม่เอานียมันทันที่มันรู้ทันแล้วอัสิ่งนี่เกิดขึ้นสติมันไปตัดปุ๊บมันไม่ไปหยิบมาเอาเป็นเราจะเป็นเขาแต่พอ ขาดติมันก็จะหยิบไปเอาเป็นเราเป็นเขานแต่พอิสติรู้ทันมันก็ตัดไปอันนี้ถ้าสติเราเร็วแล้วก็เร็วตั้งแต่ตอนที่ไม่เอาแต่เบื้องต้นนแต่สติมันตามมาที่หลังมันก็เมื่อเอาแล้วมันก็รู้ทันมันก็วางไปฟก็เกิดเป็นการปล่อยวางไปฟคือถ้ารู้ทันตอนแรกมันก็รู้ทันแบบเป็นปกติรู้ทันแบบเฉยๆเลยนแต่ถ้ารู้ทันตอนหลังมันก็เป็นการเรียกว่าเหมือน เป็นการวางเป็นการปล่อยเป็นการละนะแต่ที่จริงแล้วจิตมันไม่ก็จิตโดยปกติแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรกับกับทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นแหละมันะมีแต่ความไม่รู้ความจริงนะก็คืออวิชาในแหละที่ทําให้เราไปเอาไปยึดไปถือไปแบบไว้นะแต่ถ้าจิตเริ่มเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็เออมันก็เป็นเป็นธรรมชาติก็เหมือนกับอย่างที่ว่า กฎของธรรมชาติเนะาะกฎความไม่เที่ยงกวามเป็นทุกข์ความไม่แยกตัวตนนะ่นก็เป็นกฎหนึ่งแต่ที่จริงมันก็ยังมีสภาวะอีกสภาวะหนึ่งสภาวะนิพพานนะที่พูดไม่ใช่พูดว่าจะเข้าใจสมมดหนะ้าแต่เท่าที่ความรู้สึกหรือว่าความเข้าใจสภาวะนิพพานมันก็เป็นสภาวะอาจจะอยู่นอกเหนือกฎของพระไตรักษณ์นะมันเป็นกฎที่อยู่นอกเหนือกฎพระไตรลัก มันสภาวะตรงนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่จะขึ้นขึ้นลงลงสุดสุดทุกๆุกเปลี่ยนแปลงเกิดดับตามสภาวะของกฎพระไตรักษณ์ไม่ใช่นยนิพานเป็นสภาวะที่คงที่แต่จะบอกว่ามันเป็นเป็นสภาวะที่เป็นอะไรก็ไม่ได้นะไม่มีใครเข้าไปกาหนดสภาวะของพระนิพานนั้ น, น สภาวะนิพพานไม่ใช่สภาวะของความทุกข์แต่เป็นสภาวะของความไม่ทุกข์นะหรือจะว่าเรียกว่าสุขอย่างมากก็ได้นะแต่เรียกว่าเป็นอนัตตาก็ไม่ถูกจะเรียกว่าเป็นอัตตาก็ไม่ถูกนะมันก็เป็นสภาวะเช่นนั้นของมันไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่อาการนะแต่เป็นแต่เป็นสภาวะสภาวะหนึ่งซึ่งซึ่งไม่เปลี่ยนแปลมีอยู่ทุกคนนะไม่ใช่เป็นสภาวะที่ไปอยู่ ที่ใดที่หนึ่งนะัแต่มันมีอยู่ในทุกคนนะคือสภาวะจิตที่ไม่เป็นอะไรนะนะั่นแหละคือสภาวะของพันิพานจิตเมื่อใดที่ไม่ไม่เป็นอะไรกับอะไรมันเป็นจิตบริสุทธิ์เดิมแท้มันจิตเป็นจิตที่พัดถรนความใส น, ะนะนะั่นแหละคือสภาวะที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะเป็นสภาวะที่มีความสุขอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสภาวะที่มันก็ไม่ได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรมาทําให้มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเลย เพาะมันดำรงอยู่เช่นนั้นไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัยนะแต่สิ่งที่จะเข้าถึงมันต้องเป็นมันก็ต้องเป็นการเดินทางทางจิตการเจริญสตินี่แหละมันถึงจะเข้าถึงสภาวะนั้นได้นะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วถ้าเราค่อยๆภาวนาไปก็จะค่อยๆเข้าใจสภาวะตรงนี้มากขึ้นชัดขึ้นก็คงตามลําดับของภอมิธทางของแต่ละคนก็ สิ่งท่พูดให้ฟังนี้แง่ของการแยกแยะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็หยุดตกอยู่ในกฎของปัจจัยรักแต่สภาวะของพระนิพพานมันอยู่นอกเหนือของกฎใจรักนั้นซึ่งเป็นตวะที่สูงสุดซึ่งซึ่งเร า, เามีความปรารถนานะมีความตั้งใจที่จะ เ, เดินทางไปให้ถึงสภาวะนั้นแต่เป็นสภาวะที่เรียกว่าเดินทางให้ถึงซึ่งพระนิพพานคือความเป็นพระทหาร ก็เป็นจุดหมายปลายทางของเราแต่ถ้าเราสังเกตทั้งเมื่อไรที่ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวแล้วก็สามารถเข้าถึงสงภาวะนั้นได้ไม่เป็นการเข้าถึงเพียงแค่ชจุดขณะเป็นการเข้าถึงเพียงแค่ชั่วคราวแต่มันก็จะทํ า, า, าให้เกิดความเข้าใจเกความทราบซึ้งได้ว่าก็ในชีวิตนี้สภาวะที่ไม่ทุกข์มันก็มีสภาวะที่จิตเป็นปกติก็มีถ้าสามารถสำรวจสภาวะเช่นนี้ได้ อยู่ บ, บ่อยๆอยู่นานๆอยู่เนืองๆอันนี้แหละอ๋อสามารถเข้าถึงความเป็นพระได้อย่างแท้จริงสามารถเข้าถึงความเป็นพุทธะได้อย่างแท้จริงธรรมะวัดของธรรมะธรรมชาติที่แท้จริงมันเป็นเช่นนี้นี่เองธรรมะที่แท้จริงมันคือสภาวะที่ไม่ทุกข์นี่เองอั น, นี้เป็นจุดสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสูงสุดของศาสนาของพุทธศาสนาเพรว่าได้ ศาสนา่นจะไปเช่นไใดล้วก็แม่อาม่าสามารถเข้าใจในอย่างแท้จริงแต่ถ้าเราปฏิบัติตามคํา ส, ำ ส, ำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเข้าใจความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่าสอนความจริงที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีสิ่งใดมาแก้ไขได้ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงเปกลาการเวลาไม่ใช่ มาเป็นเช่นนี้อยู่ ต, ตัยาวนานแล้วแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปแต่ก็ไม่ใช่จะเข้าถึงแต่สภาวะที่จะเอาเราเอาตัวเราไปเข้าถึงแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้จิตมันเข้าถึงสภาวะวนั้นของมันเองดังนั้นการปฏิบัติ ท, ทําไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเราจะเราจะดีเราจะเด่นเราจะดังหรือว่าเราจะเข้าถึงก็เป็นอรหันตะ์ แต่เราปฏิบัติไฟเพื่อให้จิตใจมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็คออยอมรับความจริงมีแต่การเดินทางของจิตนะไม่ใช่การเดินทางของเราแต่ก็ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนี่แหละนะอายนตนะภายนอกทขงมม้งหกตามจงกุลลิ้นกายใจมีมาเพื่อดำรงอยู่เพื่อในการศึกษาความจริ ง, งนี้นะก็ต้องอาศัยสิ่งทั้งภายในและภายนอกควบคู่กันไปแล้วก็กวกากมา เหมือนเป็นการเที่ยวหรือว่าเป็นการจะไิกเป็นการทัศนศึกษาก็ได้ก <g ười> ็ขอให้ดูทั้งการดูภายนอกแล้วก็ดูภายใ น, นดูสิ่งวัตถุภายนอกดูผู้คนภายนอกดูวัฒนธรรมภายนอกแล้วก็ย้อนกลับมาดูความรู้สึกภายในใจของเราด้วยในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของการมณ์ความคิด อ า, อาการต่างๆในจิตใจนะก็จะได้ประโยชน์ในการเรียนรู้ธรรม ะ, ะในใจเมื่อเราเข้าใจธรรมะที่เป็นเกิดขึ้นในในกายในใจของเราแล้วก็คือเราเข้าใจโลกทั้งใบนี่แหล ะ, ะข้อโลกที่จริงเราคือร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นความย่อของโลกทั้งหมดพราะโลกทั้งใบหรือที่ก็พบทั้งโลกทั้งสามก็ว่าได้โลกมนุษย์ โลกที่เป็นเบื้องบนหรือทีเป็นเบื้องลับมันก็เหมือนกันมีสภาวะเช่นเดียวกันเมื่อเราเข้าใจโลกใบเล็กๆหนึ่งใบนี้ก็เข้าใจโลกทั้งใบทั้งหมดโลกทุกใบเข้าใจทุกพบทุกชาติเข้าใจทุกกําเนิดทุกกาเนิดมีสภาวะเก่ยวความเป็นทุกข์และทุกกาเนิดก็มีสภาวะเกีความไม่ทุกข์อยู่ในนั้นเช่นเดียวกันเนาะ